วันนี้เป็นวันที่ส5บหสิงหาคมพุทธศักราช2556หขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าวันนี้ตอนเช้าหลวงพ่อได้รับทราบข่าวว่าคุณแม่จันดีที่เป็นน้องสาวขององค์หลวงตาได้มรณะเมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งสามนาที คยะหลวงพ่อจไม่ผิดนะแต่ เ, เมื่อวันที่ส2บสองหลวงพ่อก็ได้ไปงานครบรอบองค์หลวงตาร้อยปีที่วัดป่าบันตาดปีน้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็มากพอฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อว่างต่อภารกิจหลวงพ่อก็ได้เข้ามากราบคารวะ กุติขององค์หลวงตาก็ถือว่าช่วงนั้นยังว่างอยู่ก็ได้เข้าไปกะเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมคุณแม่จันดีแล้วก็ได้ถวายปัใจจใัยดูแลช่วยเพื่อมีภาระที่จะต้องดูแลค่าใช้จ่า ย, ายมีอะไรไหม่ลวงพ่อไปแต่ละครั้งอะไรมอบปัใจจัยให้คุณแม่ บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้ก็เลยเหมือนกันก็นได้มอบปัจจัยจัตตุปัจจัยให้ท่านเพื่อได้ใช้แต่หลวงพ่อดูลกักหลวงพ่ อ, อคุณแม่คงจะอยู่กับลูกหลานไม่ได้นานจะละมั่งเนี่หลวงพ่อคิดในใจก็มีแต่บอกกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดบอกเออช่วยๆกันดูแลเนอะดูแลคุณแม่เนอะดูแลให้ดีที่สดุด คำว่าที่สุดเท่าไรก็ที่สุดเท่านั้นแหละสุดความสามารถของลูกหลานช่วยๆกันดูเนี่ยคุณแม่ถ้าดูลักษณะนี้คงจะไม่ได้ร่วมสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของวงหลวงตาเจะมังพ่อกับปูดพ่อกระนั่งกับลูกกับหลานของคุณแม่นานพอสมควรอยู่ก็เลยเออเดี๋ยวหลวงพ่อจะกลับแล้วนะ แต่ก็ต้องก่อนที่เข้าไปของเขาครบปลุกคุณแม่ให้ตื่นแต่คุณแม่ก็ลืมตาหน่อยหนึ่งคงจะมองไม่เห็นเพราะว่าดูดูแล้วท่านไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วพอลืมตาหน่อยหนึ่งท่านก็หลับตาไปพอหลับตาไปก็นอนหลับเขาคงจะให้ยานอนหลับจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เข้าไปกราบ อุติขององค์หลวงตาแต่หลวงพ่อก็คิดในใจเหมือนกันถ้าอาการถึงขนาดนี้คงจะอยู่กับลูกหลานไม่ได้นานมากคุณแม่นยะังคิดในใจอยู่แต่จะทำยังไงได้อายุมากแล้ว8ปกว่าปีคุณแม่นะคุณแม่จันทีอายุ80กว่าปีแต่หลวงพ่อก็จาไม่ชัดแ3และแปดแต่ท่านก็จากไปเมื่อคืนนี้หลวงพ่อ เคยพูดไว้อยู่เสมอโดยมากผู้ที่เข้าสู่วัดวาศาสนาเนี่ยเป็นคนผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นครูบาอาจารย์พะระเถระมหาเถระก็ตามญาติโยมก็ตามโดยมากจะมรณะวันพระให้พวกเราสังเกตดูนะแต่คุณแม่ทำไมจึงมรณะตีหนึ่ง หลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านนับอารุณ์ขึ้นแล้วก็อารุณ์ขึ้นวันต่อไปอันนั้นคือวันใหม่ตั้งแต่วันนี้แหะตั้งแต่เมื่อเช้าเน่ยอารุณ์ขึ้นแล้วกระทั่งวันแล้วกรทั่งคืนคืนนี้จนถึงอารุณ์ขึ้นนั่นเป็นวันใหม่ท่านไม่ได้นับแบบสากลนะสากลแปลว่าตีหนึ่งเป็นวันใหม่ แต่หลักของพุทธศาสนาจันทรครตินับทั้งวันทั้งคืนจนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นวันใหม่วันพรุ่งนี้นับว่าเป็นวันใหม่เป็นวันธรรมดาแต่เมื่อคืนนั่นก็ยังจัดว่าเป็นวันพระอยู่นะวันพระแปดค่ำคุณแม่จากไปวันพระแต่ท่านคุณแม่เป็นโยมก็จริงอยู่แต่เป็นผู้มีสติปัญญา เป็นผู้ที่รอบรู้รอบคอบอย่างมากมากที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นหลวงพ่อก็มองดูว่าทันหลวงตาพูดง่ายๆพี่น้องทุกค น, นคุณแม่จันดีนี่ยทันหลวงตาหลวงตาเนี่ยเป็นอัจฉริยะสติปัญญาของท่านเฉียบแหลมแปลว่า <c oughs> กิ่งกลมเลยล่ะปัญญาของหลวงตานะ หาใครจะเสมอเหมือนได้ยากแต่คุณแม่จันดีมีน้องสาวคนเดียวเท่านั้นอ่ะตามทันตามหลวงหลวงพี่ท่านทันตามหลวงตาทันหลวงตาพูดอะไรมีจุดประสงค์อะไรอยากจะให้ทําอะไรโดยมากคุณแม่จันดีจะปฏิบัติถูกต้องโดยมากหลวงตาจะสั่งอะไรท่านก็สั่งแม่เจนดีคุณแม่จันดีเพราะว่า รอบคอไม่ขาดตกปกพ่องในเมื่อลวงตาได้สั่งออกไปแล้วแต่ว่าเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจองค์หลวงตาในระดับหนึ่งพูดง่ายๆบัดนี้หลวงตาก็ได้จากคุณแม่ก็ได้จากไปแล้วเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อค ง, งจ่าได้ออกไปรถน้ำศพส1บเนาฬิกาแต่หลวงพ่อไม่ได้ถือหรอก ลถไม่ลถก็ไม่เป็นไรไปร่วมงานแล้วก็ได้เห็นหน้าเห็นตาหรือไปร่วมงานต่นนั้นล่ะถึงยังไงท่านก็ไม่ฟื้นล่ะคุณธรรมของท่านในจิตใจของท่านได้เท่าไหร่ท่านก็ได้เท่านั้นเรามีแต่ว่าไปแสดงความกระตันยูกระตเวทิตาที่ลุงพ่อได้อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา14ปี ตั้งแต่ 2,112 ถึง2 2 1 4่าจะได้ออกมาจากวัดป่าบ้านตาดมาอยู่ที่นี่ในขณะที่อยู่ที่นั่นก็ได้พึ่งพาอาศัยองค์หลวงตาเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านตาดน่ะใส่บาตรให้ชันเลี้ยงชีวิตกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านตาดเป็นหลัก แล้วก็พี่น้องชาวดอนต่างถิ่นเข้ามาเป็นคลั่งคลาวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือญาติติโกโหติกาขององค์หลวงตาทั้งหมดเป็นผู้มีอุปกรณคุณสําหรับหลวงพ่ออย่างมากเหมือนกันเพราะวันนี้วันนี้เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเขาคงจะได้ออกไป งานรดน้ำํำแต่ทันหรือไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่คงจะเอาของไปสมทบในการทําบุญการสมทบครั้งนี้ก็ไม่ได้ใช่ว่าเราจะไปให้คุณแม่ได้บุญจากเราไม่ใช่อันนี้เราเป็นอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมเราควรจะแสดงออกเมื่อพระสงฆ์เข้ามา ทำพิธีคงจะมีการถวายผ้าถวายจจตุปัจจัยที่จะใช้ในงานเพรว่าเมื่อเหลืองานไปแล้วท่านจะร่วมสมทบเพื่อสร้างเจดีย์ของวงหลวงตากสุทธาแต่คณะกรรมการลูกหลานของท่านจะพิจารณาเพราะว่าคุณแม่ท่านก่อนจะช่วยเหลือวัดวาจาธนาครูบาอาจารย์โดยสม่ำเสมอมาตลอดนะ นี่แหละสรุปแล้วก็คือทุกชีวิตไม่มีใครที่จะผ่านพ้นไปได้ช้าหรือเร็วยาวหรือสั้นเท่านั้นเองคาว่ายาวคืออายุยืนสั้นก็คืออายุพอเกิดมาแล้วก็ไม่เท่าไหรก่ก็ล้มหายตายจากก็มากต่อมากอายุยืนก็มีแต่ทุกชีวิต ต้องมีจุดจบเหมือนกับภาชนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับภาชนะดินเมื่อปั้นขึ้นมาแล้วไม่อิบไม่วันหนึ่งไม่วันใดวันหนึ่งจะต้องแตกไม่มีภาชนะใดที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่ว่าอายุยืนนานถ้าใครรักษาดีปกป้องดีเก็บไว้ให้ดีก็อยู่ได้นานหน่อยแต่ทึงอย่างการก็มีโอกาสที่จะแตกสลายในที่สุด ชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าว่าผู้ใดรักษาชีวิตกับชีวิตนั้นก็ยืนยาวไปได้กว่าใครแต่ถึงยังไงก็อาศัยกรรมอีกเหมือนกันนะคว่ากรรมคำนี้เนี่ยอดีตกรรมปัจจุบันน ก, กรรมมันได้ทั้งสองอย่างอดีตกรรมก็คืออดีตกรรมในอดีตเราเคยฆ่าสัตว์มาก่อน ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนเคยฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าใครมาก่อนเกิดมาพบในชาตินี้กรรมตัวนั้นก็ตามสนองล้างผลาญเราถ้าปัจจุบันนกรรมคือขาดความรอบครอบตั้งที่เราจะอยู่ในได้แต่เราไปผ่าตกหกล้มซะหรือว่า เราขาดความรอบคอบในปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันนักรรมเราก็อาจจะเสียชีวิตลงได้เพราะว่าขาดความรอบคอบในปัจจุบันเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทําคำนี้ปัจจุบันนักรรมและอดีตกรรมเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันพวกตัวเราแยกไม่ออกแต่ถ้าว่าพระหันสาวกผู้มีญาณรัศนะ อย่างพระพุทธเจ้าท่านจะแยกออกได้ว่ากรรมตัวนี้คืออะไรมาจากไหนหการใช้ทํากรรมอันไหนไว้ในอดีตจึงได้รับกรรมเช่นนี้ท่านจะมองทะลุท่านจะมองออกได้แต่พวกเรามีแต่ทิ้งใส่ว่าตกรรมเท่านั้นเองแต่ที่งยังไงเราก็ได้รับเพราะนั้นกรรมปัจจุบันก็ตามเราก็ต้องรอบครอบพอสมควรกรับรในอดีต เราก็อย่าทำในปัจจุบันในขณะนี้ถ้าเราทำไม่ดีในขณะนี้อนาคตกรรมตัวนี้จะนำสืบเนื่องไปสู่อนาคตให้พวกเราได้รับกรรมในอนาคตเพราะนั้นเรารู้แล้วว่ากรรมคือการกระทาจุดนี้นะถ้าทากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลไปในทางที่ดีถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลไปในทางที่ชั่ว เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตทั้งชีวิตไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้สั้นหรือยาวอย่างที่ว่านะสั้นหรือยาวยาวคืออายุยืนแต่ถึงยังไงก็จุดจบแต่ว่าถึงยังไงถึงจะยาวหรือสั้นจุดที่ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะเป็นยาวหรือสัน้นเรามีคุณงามความดีพร้อมหรื อ, อยังถ้ามีอายุยืนยาวเกิดมาตั้งแต่อายุเป็นร้อยปีแต่เมตธรรมแต่กรรมชั่วเกิดมาแล้วกนนะข่าสัตว์ตัดชีวิตหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอจะคดจะป่นจะจี้จะคดจะโกงจะเจะบียดจะวังข่าฟันลันแทง มีแต่ทำกรรมชั่วแปลว่าคนคนนั้นเกิดมาทั้งชีวิตอายุเป็นร้อยปีทำแต่กรรมชั่วกรรมชั่วคนนั้นจะมากขนาดไห น, เ, นเกิดมาทั้งร้อยปีเพราะทำแต่กรรมกรรมชั่วออแปลว่าใสา ย, ยุง่งใสาสารก็เต็มไปหมดนะกรรมชั่วนะแต่ถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้วทาแต่กรรมดี เ, เกิดมาแล้วก็รู้จักเรียงสาภาวะได้รับทำคาสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าละเว้นในสิ่งที่มันชัว่วทําแต่กรรมดีโดยตลอดถ้าเราอายุยืนยาวเราก็ได้สร้างบา ร, รมีมากมายมหาศาลบุญกุศลที่เราได้สร้างเป็นขลังแล้วก็ เ, เ, ตเต็มคงเต็มขลังไปหมดล่ะเพราะอะไรเพราะสร้างแต่คุณงามความดีเพราะฉะนั้น ถ้าสรุปแล้วก็คือคนอายุยืนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวไม่ใช่นะพวกเราต้องคิดดูเสมอถ้ายืนทำแต่กรรมชั่วดีไหมถ้ายืนยืนทำแต่ก ร, รมดีดีไหมฮมันต้องทุกจุดนี้อีกต่างหากถ้าว่าอายุยืนทำแต่ก ร, รมชั่นแย่บุญบาปอกุศลมากมายมหาศาลใช้กี่พบ ก, กี่ชาติก็ไม่หมดเพราะอายุยืน แต่ถ้าว่าเราทำกรรมดีอายุยืนบุญกุศลก็เกื้อกูลนุนเราเป็นอนันตการยาวมากมายมหาศาลเหมือนกันเพราะนั้นอายุยืนไม่ใช่จะดีอย่างเดียวนะท่องดูทั้งสองอย่างเพราะนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูข้าพเจ้ามีอายุปีนี้คุ้มค่าไหมข้าพเจ้าได้สร้างคุณงามความดีอะไรบ้างในตัวของข้าพเจ้าในปีนี้ให้ตรวจตราดูเป็นปีปีไป ถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีปัจจุบันแต่ละวันละวันละวันทำแต่คุณงามความดีคุณงามความดีก็พอกพูนทวีคูณ เ, เราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ภาคภูมิใจในการสร้างคุณงามความดีของเราทำกรรมดีของเราแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราปล่อยปะละเลยเทำแต่กรรมชั่วหรือไม่ได้สนใจสร้างกุศล ปล่อยชีวิตเออระเหยลอยลมแปดเป็นแต่ละวันละวันโดยมากถ้าว่าเราปล่อยจิตใจอย่างนั้นมันไม่ใช่จะไปในทางดีนะมันจะไปทาง เ, าเลวซะมากกว่าเพราะเหตุไรเพราะใจของเราชอบไหลไปในทางต่ำโดยมากเป็นแต่ความคิด อ, อิจฉาบัง่งพยาบาทบัง่งโมโหโกธาบัง่งความไม่พอใจน้อยใจบังมันจะไปทางต่ำอยู่เสมอเพราะเหตุไรใจของเราเนี่ มันชอบไปในทางต่ำไหลไปทางต่ำเหมือนกันน้ำมันไหลไปทางต่ำไปทางสูงโดยมากฝืนยากเพราะนั้นขอให้พวกเราตัวตราดูที่พูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวพวกเราท่านทั้งหลายเองให้ตัวตราดูข้าพเจ้าใจของข้าพเจ้าแต่ละวันเป็นยังไงไปในทางไหนไปทางเที่ยวทางเตะทางหนักไปทางอยากจะกินอยากจะเที่ยว อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะอะไรที่มันออกนอกลูนอกทางมีมากมายไม่สามารถทิบบรรยายได้แต่ว่าเราแต่ละวันเราภาวนาทำจิตใจให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดดูใจของเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของเราเป็นยังไงแต่ละวัน อันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าตั้งในความประมาทชีวิตทั้งชีวิตถึงจุดจบจะสั้นหรือจะยาวเท่านั้นเองถ้าว่ายาวก็ให้เกิดประโยชน์อย่ายาวที่ว่ามีแต่โทษไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพราะเราได้เกิดมาเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราพวกเราควรจะประกอบแต่คุณงามความดีนะวันนี้ได้แจ้งข่าวคุณแม่จากไปแล้วก็ได้บอกกล่าวให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทในสังสมคุณงามความดีให้ทำแต่กรรมดีพูดง่ายๆน ะ, ะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร